พระมาจาลูกาธิปฏิสถัมปฏีกัตอันชรีอันติวารังไยาจาราสันติทสัสสะกาพรชะชาชาติกาเดเสตุธรรมังอนุกรรมปิมงางปัจฉางขณะจัตถายาติโยมลูกหลานตั้งใจฟัง ขณะที่ฟังตั้งแต่ตั้งนโมแล้วไปห้ามถ่ายรูปนะลูกหลานนะคณะทา ญ, ญาทโยมถ้าพูดที่จะถ่ายรูปก็ถ่ายขณะที่หลวงพ่อพูดแล้วหลวงพุทพูดจบลงไปแล้วขณะที่ว่าตั้งนโมตัดจ่ไปว่าเอาจริงจังห้ามถ่ายรูปถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยู่ในความสงบอย่าไปเดินแผ่นผ่านขาดสมาธิในการฟังถ้าหากว่ามีการถ่ายรูป แฝดเข้าตาหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อเป๋ไปเลยนะพูดไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเสียสมาธิในการพูดพอการพูดเป็นการตั้งใจในการที่จะแสดงธรรมออกมาจิตจากจิตใจให้กับคณะสัตยา ญ, ญาจมผู้ฟังคือออกถอดออกออามาจากใจมาให้คณะรัตยา ญ, ญาจมให้เข้าใจในเรื่องนั้ น, น, นพยายามกันกรอง ที่ให้คณะตถาญาตโยมได้ฟังให้เข้าใจในธรรมจุดนั้นนเพราะนั้นการที่จะแสดงธรรมจะออกมาจากความรู้สึกนึกคิดที่กันกรองโดยความเสียพลันเสียพลันพูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นการที่จะมีผู้มาทำเสียสมาธิเสียสมาธิในการฟัง บางทีก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นตามไม่จริงการมาฟังอย่างนี้ควรจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ดีนะณะาญญา้าราชการทายาทโยมพอเหตุไรเพราะจุดนี้ไม่ใช่จุดรับโทรศัพท์ให้ปิดไว้ก่อนอมันก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกยี่สิบสามสิบนาทีถ้ามันจะรวยมากกวคงจะรวยมาก่อนหน้านี้แลละ่ะถ้ามันจะจนก็คงจะจนมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเพราะนั้นปิดไว้ก่อนโทรศัพท์ ถ้าฮะวันมีโทรศัพท์มีความจำเป็นเราก็ออกไปอยู่ข้างนอกคอยรับโทรศัพท์อย่ามาอยู่ในกลางวงถ้ากลางวงขึ้นมาแล้วมันเสียสมาธิในการฟังเพราะตรงนี้เป็นตรงฟังเห็นไหมขณะเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายมอกให้ทายกผู้นำผมมาจะโลกาติปติสหัมปติแปลว่าอารัธนาหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ขึ้นธรรมะ หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อมีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวให้กับคณะจตทายาตโยมทุกคนให้อยู่ในความสงบตรงนี้เป็นตรงฝังหลวงพ่อเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฝังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฝังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสจิตใจอยู่ในธรรมฟังธรรมโลสสุตรสูตร ส, สังรัตะะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการฟังสุดตรมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนเราก็มาทบทวนอีกนีนกว่าจินตามายะปัญญาภาวนามยะปัญญ า, า, า, ป, ญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนําจิตใจที่ผ่านความสงบมาพิจารณากานตรองไตรตรองด้วยเหตุด้วยสนด้วยปัญญา อันนี้เราว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาส่วนสุดตามเมยปัญญากับจินตามมยปัญญาเป็นปัญญาทางโลกทั่วไปแต่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาผู้ที่จะตัดกิเลสตัดราคาโทสะโมหะออกจากจิตใจอันนี้คือภาวนามยปัญญาเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือสู้สู้สังละเตปัญญาผู้ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญาย่อมได้ความรู้ย่อมได้ความเข้าใจในการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพวกเราไปนักสถานที่ใดภาระของเราเมีมากก็จริงอยู่แต่เราควรจะทิ้งไว้ก่อนแต่บางคนนะอพอม า, ฟ, มาฟังเทศมาฟังธรรมกระดูในโทรศัพท์ของตัวเองนะดูภาพน้ำรูรูปนี้ดูเรื่องนั่นดูเรื่องนี้ดูในโทรศัพท์ของตัวเอง ไม่ได้ใส่ใจอะไรเหมือนกับว่าโทรศัพท์สลังคัดฉามิลักษณะอย่างนั้นหละไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการฟังธรรมมาสู่จุดนี้เราต้องฟังฟังหาเหตุหาผลผลมีเหตุผลจริงไ้ยเป็นยังไงฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องฟังนะรัฐ า, า, ายาตโยมลูกหลานทุกคนน ะ, ะตอนนี้หลวงปอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นในะนัฐนิเนนะ นะโมตัสสะพะโกะวะโตอะระหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะโกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรนามเเมยวิจิตติขยะวิยะธรรมมาสังขารา อัปมาเดณะัมปาเดทาตีติวันนี้เป็นวันที่สิบสามมีนาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าอห้าสิบเก้าเป็นวันประชุมเพลิงของคุณแม่ทองใบริมไัยบู์อายุของท่านเพียงเจ็ดสิบแปดปีถ้าจะว่ามากไหมก็มากพอสมควร ถ้าหากวันน้อยก็ไม่ใช่ถึงน้อยตามปกติอายุไขคนในยุคสมัยนี้ท่านวัดอายุ75ปีเป็นอายุมาตรฐานอายุไขของมนุษย์แต่คุณแม่ของเราอายุแปดเจ็ดสิบปดปีอยาได้กำไรเป็นหน่อยนึงแต่ถึงยังไงพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกลูกหลานท้งไล ไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจออย่างนี้เหมือนกันแต่ถึงอย่างไรจะทำอย่างไรได้พวกเร า, เาได้ศึกษาได้ฟังมาแล้วจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษาได้ฟังมาท่านกว่าความตายของแต่ละมนุษย์แต่ละคนเหมือนกับน้ำค้างใบบัวไม่รู้จะตกเกล้งลงเมื่ อ, อไหร่อันนี้เป็นชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าท่านว่าเรา เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าข้าพเจ้าจงอ า, ายุร้อยปีซะก่อนข้าพเจ้าจึงจะตายข้าพเจ้าอายุเท่านั้นเท่านี้ซะก่อนจึงจะไปไม่มีใครที่จะกำหนดชีวิตของตัวเองได้มีแต่รักษาเป็นวันๆไปถต่ถึงกาหนดกฎเกณฑ์แล้วก็รักษาไม่ไหวแล้วก็จะทำยังไงได้มันก็ต้องไปตามอายุสังขารของมันแต่ท่านก็ว่าถือว่าเป็นกรรมก็มีเหมือนกันนะ ถ้าผู้เกิดมาใหม่อายุน้อยนมอายุเพียงไม่กี่ปีตายท่านว่าอันนี้สงบาร์กรรมเก่าในอดีตชาติเคยฆ่าเคยผิดสินข้อที่หนึ่งเคยรังแกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างมากเพราะนั้นชีวิตของเขาเกิดมาพบใดชาติใดชีวิตของเขาจะสั้นเพราะอะไรเพราะเขาชอบฆ่าสัตว์อันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะ ที่ท่านได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเพื่ได้ตตรัสไว้ในพระธรรมคําสอนของพุทธมีมากมายเรื่องศินศินที่พระพุทธเจ้าเอาวางเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าศึกเข้าใจศึกษาศึกษาในหลักธรมรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทิ้งยังไงก็ตามคุณแม่ทองใบริมภัยบูนหลวงพ่อรู้จักมรคุดตั้งแต่ สมัยท่านยังน้อยใครพอาสมัยก่อนเมื่อหลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปี2512้าสิบถึง2525้ายี่สิห้าแ่ท่านก็มีภาระเลี้ยงลูกเต่าของท่านก็ไปจังหันวันพระวันจิตที่เป็นผู้จิตมีจิตใจใฝ่กุศลเป็นผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทีเดียวแต่หลวงพ่อเขาไม่รู้จักมรคุณ เ, เพราะว่ากฎระเบียบของหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเนี่ย ถ้าใครจะรู้จักเห็นแต่ตอนเช้ามาจังหันท่านเองพอเสร็จแล้วก็ไปล้างบาทก็ต่างคนต่างกลับกุฏิใครจะไปพูดไปคุยกับศรัทธาญาติโยมรู้จักมักคุ้นก่อนนั่นแหละพอท่านเห็นเท่านั้นแหละท่านจะไล่นี้ออกจากวัดทันทีเพราะนั้นไม่ใช่กดกระเบียบขององค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อเองเ อ, อยู่ในที่ที่นั่นก็เพียงแต่รู้ว่าเห็นเอโยม อ, อุดรใครต่อใครม า, ามาจังหัน มาทำบุญตักบาตรเนี่ยโยมทองใบกนคนหนึ่งที่หลวงพ่อรู้จักจากนั้นก่อนท่านก็ไปทำบุญโดยมากกบไปหลวงปู่บุญเมียหลวงปู่เพียรแต่ว่าท่านก็ได้ลูกชายขึ้นมาอาจารย์หมอรุ่งเรืองท่านก็ได้ลูกชายเป็นหมอท่านก็ ไ, ดไปดูแลหลวงปู่บุญเมียหลวงปู่เพียร จากนั้นก็นดูแลองค์หลวงตาหลวงพ่อสืบสอบฟังอยู่ตลอดหลวงตาก็ให้ความเมตตามีอะไรเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นอะไรก็หมอรุ่งเรืองทั้งนะั้นเพราะนั้นถือว่าหมอลวงอาจารย์หมอรุ่งเรืองเป็นผู้มีบุญคุณต่อคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้มีบุญคุณต่อหลวงพ่อด้วยเพราะหลวงพ่อนรักเคารพในองค์หลวงตาท่านไปมาหาสู่ แล้วก็อาจารย์หมอหลวงเดกเป็นผู้ดูแลรักษาองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้ความสําคัญผู้ที่ดูแลองค์หลวงตาและก็บพร้อมกันไข้ไข้ดูแลหลวงปู่เป็นมีหลวงปู่เพียรด้วยแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้เข้าไปนานนแต่ที่ยังไงหลวงพ่ออาศัยหมอทางโน้นแต่ตามปกตินิสัยหลวงพ่อกับเรื่องหมอแล้วก็ถ้ามันจาเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่เข้าไปหาหมอนะ อแต่เ็นเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆหลวงพ่อจึงค่อยเข้าไปแต่ถึงยังไงลูกหลานอย่าเอาเป็นตัวอย่างอย่าเอาเป็นตัวอย่างหลวงพ่ออินเป็นตัวอย่างอดันทุลังเจ็บหายเจ็บไข้ามากๆคนค่อยไปหาหมอแต่หลวงพ่อนี่ยชอบยังไงในจริงการฟัดจามเพียนธรรมดาเนี่ยไม่ล่ะ <c ười> จนถึงเสียงไม่มีเสียงแล้วนะเจ็บคอมากๆนะถ้าเป็นหวัดนะยังค่อยไปหาหมอหมอยังค่อยเอายาให้เนี่ยแหละ อันนี้ก็คือหมออาจารย์หมอโรองเรืองเป็นผู้มีบุญคุณต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่บรรยายและพูดให้มาฟังนี่หลวงพ่อไม่พูดเกินเลยนะพวกครูบาอาจารย์น้องหนุ่งทั้งหลายที่นั่งพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ที่นี่นะก็คงจะเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความมีน้ำใจ ต่อคุณแม่ทองใบที่ท่านได้จากไปแต่ด้วยความอาไัยของพวกญาติญาติพี่น้องตลอดถึงพร ะ, พระสงฆ์ด้วยแต่จานี้จะทำอย่างไงได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเกิดแก่เจ็บตาย่ข้าวนี้ก็เราก็มาเผาท่านแต่อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ใครเป็นจะเป็นคิวต่อไปมันต้องมีคิวไปเรื่อยๆนะ ถ, ถ้าอยู่จะถ้าว่ายังอยู่ที่เหมืองอุดร อ, อยู่คงจะมีคิวหนึ่งคิวสคิวสคิวสไปเรื่อยๆฮะพวกเราจะเป็นคิวคิวที่เท่าไหร่อันนี้ก็ขอให้อขอกวากไว้กับพวกเราทุกๆท่านให้สํานึกไว้ในใจเสมอว่ามรณงเมภาวิสติอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเ น, นื่องมรณงเมมันเมือคือข้าข้าจะต้องตายแน่ๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้า ไม่ใช่ว่าเราจะมาไปชมเพลิงแต่คุณแม่ทองใบเท่านั้นแต่อีกสักวันหนึ่งไม่รู้จะเป็นใครเป็นคิวต่อไปแต่ถึงทั้งนี้ทางนั้นเราไม่ได้พูดให้พวกเราท้อใจอ่อน อ, อกอ่อนใจหดหูห่อเหี่ยวจิตใจไม่ใช่ถ้าห่อเหี่ยวจิตใจ น, นั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความตายก็คือความตาย เกินการประกอบคุณงามความดีก็คือประกอบคุณงามความดีถึงยังไงมันก็จะถึงจุดนั้นอยู่แล้วแต่ทําให้ทําความดีเอาไว้ต้องประกอบคุณงามความดีเอาไว้เรื่องความตายนะมันเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งเพราะพุทธเจ้าท่านสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านสอนพระอานุ์กรถามพระอานาุ์ว่าดูก่อนอานุ์เธอร ะ, ะลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง ท่านถามลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพุทธอุปถาพระอนุนก็กลาวทูลพระพุทธเจ้าว่าประมาณวันละวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอ น, นุนเธอท่านยังประมาทอยู่นะแล้วลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั่นแหละคือผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะแต่นี้มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายดูสิว่า อ, อดูว่า วันหนึ่งเราลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง่วันละครั้งได้ไหมถ้าขนาดวันละร้อยครั้งประมาณวันวันละร้อยครั้งแพระพุทธเจ้ายังว่าประมาทนะอยากจะให้ดูทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคุณแม่ทองใบท่านไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาท ท่านสั่งสมบุญกุศลของท่านมาโดยตลอดมีการให้ทาน ร, รักษาศีลและก็ปฏิบัติภาวนาของท่านหลวงพ่อมั่นใจเมื่อท่านแยกย้ายจากออกออกจากครบนี้ชาตินี้ไปแล้วท่านต้องไปอยู่สวงสวรรค์เพราะว่าจิตใจของท่านมีแต่ฝ่ายในบุญในกุศลมาตลอดถามถามลูกๆ ก, ก็ได้พูดเกี่ยวทูดอีกเกี่ยวข้องก็ได้ ล้วแล้วแต่ท่านมีแต่อะไรมีแต่ทำบุญก่อนที่ท่านจะจากไปก่อนที่ท่านจะตายแอพูดง่ายๆท่านก็ได้สั่งเสียผู้ที่อยู่ใกล้ชิดว่าเออเมื่อข้าไปไม่ไหวเมื่อข้าตายไปแล้วให้ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์พรนะสงฆ์เน อ, อหลวงพ่อก็ได้มาคราวนี้ก็คือ น, นี่แหละผู้ที่เข้าไปนิมนต์หลวงพ่อว่าคุณแม่ได้สั่งให้นิมนต์ครูบาอาจารย์วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นที่ท่านไป เขารพเข า, ขาระวะเข้าไปกราบไปไหว้เพราะนั้นหลวงพ่ออีกในานามองค์หนึ่งที่คุณแม่ที่ท่านได้บอกให้ผู้ที่ใกล้ชิดไปนิมนต์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงถึงจะลําบากยังไงหลวงพ่อก็ได้มาแต่เมื่อวานมันก่อนหลวงพ่อไปนู่นนะไปวัดหลวงพ่ออุทยัยเขาใหญ่ไปแสดงธรรมอยู่ที่เขาใหญ่วันเกิดของหลวงปู่ทายยุคแปดสิบปีเมื่อวันที่ วันที่สิบเอ็ดเย็นวันที่สิบเอดวันที่สิบสองฉันเช้านะพอฉันเช้าเสร็จแล้วขึ้นมาจากเขาใหญ่แต่จะเข้าไปวัดเลยก็ไม่ได้มันไกลเกินไปก็มาพักอยู่ที่อำเภอเพนวัดรวมทําวัดท่านรัตนะเมื่อเช้าในกะ่รนีเพิ่งออกมาจากที่นี่ออกจากที่นี่แล้วก็คงจะกลับวัดนะ่ะที่นี่นะ่ะเพราะนั้นหลวงพ่อท่าจะว่าไปแล้วก็เป็นพระหลวงพ่อตะเิดพอสมควรเหมือนกันนะเออ อันนี้หลวงพ่อเล่าเาให้กคณัตถาทายาโยมลูกหลานฝั่งที่มาคราวนี้กันน่มาเพื่องานศพของคุณแม่แล้วก็อาจารย์หมอแล้วก็ลูกสาวของท่านแต่ทิ้งยังไงก็ตามคุณแม่เป็นคนดีสรุปแล้วท่านต้องไปดีท่านเป็นผู้มีทานยินดีในการทำบุญทำทานเรื่องทานแล้วก็เท่าไหรก็เท่านั้นท่านไม่เคยเกลียงถ้าท่านมี จะตุปัจท่างก่อสร้างทําบุญโดยสม่ําเสมอตามอัตภาพตามศรัทธาของท่านโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านทุ่มเทกระองหลวงตามหาบัวที่เป็นพ่อแม่ผูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเนี่ยแหละจากนั้นมาท่านก็รับสัจสินท่านก็โดยทำมาโดยสม่ําเสมอสรุปแล้วก็คือเรื่องทานก็ดีเรื่องสินก็ดีสําหรับคุณแม่ทองใบแล้วก็ท่านโดยทํา แต่เรื่องภาวนาท่านก็คงจะทำที่ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องทานเอเ น, นสงแห่งการทําทานถ้าหากว่าพวกเรายินดีในการทําทานในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้ดผู้ใดก็าตามยินดีในการทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากก็ใหญ่เพราะอเ น, นสงทานเกื้อกุลนุน แตหาว่าพวกอะไรพวกผู้ใดไม่เย็นดีในการทําบุญทําทานเกิดมาพบหน้าชาติหน้ารือชาติต่อไปก็ทําให้เป็นผู้อดอยาก่อยไรเพราะอันนี้สงทานไม่มีนี่แหละอันนี้สงสีนคุ้มครองก็เหมือนกันอั น, นี้สงสีนคุ้มครองคือสิ่ข้อที่หนึ่งอย่างที่หลงพ่อที่ปลาโรคเราพูดขึ้นมาว่าผู้ที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตของเขาจะสั้นเกิดมาในพบหน้าชาติหน้าอันนี้ก็คืออันนี้สึ่งสงสี าหาว่าใครชอบขโมยของคนอื่นเขาก็ไม่เคารพในของใช้ของตนเองเขาก็มาขโมยในสิ่งของทั้งที่รองเท้าจอดเป็นทิ้งเขึ้นมาเป็นไม่รู้เท่าไหร่แต่ของเราหายทั้งที่ของเราเป็นของเก่าอีกต่างหากมันแปลกมันกันนี่แหละอันนี้ก็คืออันนี้สงสีนของเราของเราผมได้ทำไว้ในอดีตในชาติ คู่อื่นเขาก็ไม่เอาเอาคู่ของเรานี่ยแหละเพราะเราคงได้ทํากับเขาไว้ในอดีตชาติน น, นี้แหละคืออั น, นินนนี้สงสานอันิี้สงศินข้อที่สองบาปกรรมข้อที่สองกามสุมิชฌาจาราวรัยรมณีก็เหมือนกันสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เชื่อฟังซึ่งกันและกันมีปากมีเสียงกันเพราะเบาแวงกันเพราะอะไรเพราะเราเคยทํากรรมตัวตัวเนี้ยผิดสินข้อนี้ข้อที่สาม ข้อที่สี่เหมือนกัน ม, มุสาวาทาเวรมะนีชอบโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขามาพบนี้ชาติได้ก็มีคนหลอกลวงต้มตุนเราบ่อยดังที่เราก็ไม่เคยทําให้กับเขาแต่เขามาทําให้กับเรารเพราะอะไรเพราะบาปกรรมในอดีตชาติ อ, อันนี้ก็คือมันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะกนัตทายาติโยมลูกหลานข้อที่ห้าสุราเมรยะศินข้อที่ห้าเป็นศิลที่ ทำให้บุคคลเป็นคนดีมีสติสัมปชัญญะถ้าบอกผู้ใดมีสี่ข้อที่ห้าขาดตัวบกพ่องอันนั้นไม่ดีเสียศูนย์เสียคู่คนเสียความเค า, ารพนับถือว้าไหลเพราะคนขาดสตเิเกิดมาพบหน้าชาติด้กับเป็นปั๊มปั๊มเปอเปอรบ้าบอบอบอง้องเพราะอเนกนสงอเ น, นสงข้อที่ห้าเนี่นอ ผิดศีลข้อที่5เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศีลพระพทุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกคุ้มครองในปัจจุบันปุญญาในี่ปัละโล ก, กัตสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพพสัตสรรพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ถ้าเป็นผู้มีบุญอ น, นิสงศีลอ น, นิสงทานมาคุ้มครองเราก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อเพราะศีล อันนี้สงสีนอันนี้สงทานคุ้มครองแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีอันนี้สงทานอันนี้สงสีนคุ้มครองเราจะอยู่ด้วยความลําบาก อ, อ, อะไรก็หลุดไมห้หลุดมือไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวใหพว้พวกเราฟังวิทยุหรือโทรทัศน์หรือหนังสือที่ท่านพิมพ์ออกมา ให้พวกเราศึกษาในรายละเอียดในข้อธรรมะเลขิตของท่านพวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปูกกายวาจาใจของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสินข้อที่ห้านี่หลวงพ่อเน้นหนัก เ, เน้นหนักสินข้อที่ห้าสุราเมรยามัชาชาการดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราหรือเมลยัย สุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโลอินออโคเคนมากมายถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างก็เห่ ไ, ไหรเพราะว่าขาดสติจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะร่าเริงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโอหกใครก็ได้อันนี้ก็คือศิ่ข้อที่ห้านะ เป็นฉิหลังคาหลังคาอาคารหลังคาที่บ้านพักพาอาศัยถ้าบ้านหลังใดก็ตามไม่มีหลังคาแดดออกฝนตกเปียกทั้งนั่นเสียหายก็ไรเพราะบ้านไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันคนทั้งคนถ้าขาดเจติเซกอย่างเดียวเท่านั้นแหละเป็นบ้าเจอย่างเดียวจะมีคุณจะร่ํารวยมากมีมั่งมีสีสุขขนาดไหนจะมียศฐานบดดาศัก์สูงสง์ขนาดไหน ถ้าหาคนขาจะตีแล้วเสียหายทั้งหมดพันธุนพ์พวกหลาลูกหลานกันรัตถายาดโย่ฟังเอาไว้ว่าจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเอาความจริงมาพูดนะเอออันนี้ก็คือสิทธิข้อที่5แต่ข้อที่สี่มุสาวาถาเวีรมณีพูดอะไรต้องพูดด้วยความตั้งใจตั้งใจพูดพูดด้วยความตั้งใจเอาความจริงออกมาพูดอย่าไปโกหกตอแหลตอแหลต้มตุนต่นหลอกลวงคนอื่นเขาพูดอันไรออกมาก็เป็นความจริง ถ้ามันจริงเกินไปที่มันจะเสียหายเราก็บอกว่าเราจะไม่พูดแต่พูดตรงเกินไปมันจะเสียหายเราจะบอกเราสงวนลิขิ์เราจะไม่พูดจิิงเราเน้กั จ, จุดแท้แต่ปัญญาของเราที่จะใช้ปัญญาในการคุ้มครองและการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้าว่าพวกเราพูดก็ล่นไปก็ล่นมาหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ในหลักธรรมคาสอนของพุทธทาจั่ะคน คนที่ชอบโกหกคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีมันก็เสียหายอีกเหมือนกันนะคณตธาญาติโยมนะแต่ในเรื่องการเป็นอยู่เรื่องทานเรื่องศีลแต่วันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาสําหรับพวกเราคณตธาญาติโยมลูกหลานแต่เรื่องภาวนาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วพ่อเรื่องภาวนาแล้วพวกเราก็จะโยนให้พระพระผู้หลงกรรมฐานพระภาวนา แต่ตามไม่ดิในการภาวนานเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทบริษัทสี่ทุกคนเราจะมองข้ามไม่ได้เรื่องการภาวนาเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือไม่ทาเท่านั้นนะถ้าเราทําก็เป็นสมบัติของเราต่อไปในอนาคตเพราะเหไรเพราะว่าเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราผ่านความสงบแล้วมีสติสัมปชัญญะบุพเพได้แล้วว่าไม่เป็นอัลไซเมอร์ แล้วก็ไม่เป็นบ้าเพราะอะไรเพราะคนมีสติเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกสติให้มีสติอยู่กับตัวเองการฝึกสตินั้นทำอย่างไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอนมันไม่ยากถ้าเรารู้จักวิธีการทำนะเออเรากลับไปบ้านเนี่ยฝึกเลยตั้งถ้าว่าใครยังไม่เคยทำฝึกทาเลยนะเออดับแรกก็คือไปไหว้พระซะก่อน ถ้าเรามีห้องพระนะถ้าไม่มีห้องพระก็ไม่เป็นไรกราบที่นอนของตัวเองก็ได้กราบไปทางหมอนนั่นแหละอยู่ในความสงบเงียบปิดโทรศัพท์ปิดโทรโทรศัศน์ปิดวิทยุอะไรทั้งหมดซะก่อนก่อนที่จะเข้าไปนั่งสมาธินะจากนั้นเราไปกราบไหว้พระซะก่อนระหังสัมมาสัมพุทธโธพักวะพุทธังพักวันตังสวากาโตสุปฏิปนโนจากนั้นก็ตั้งปโนมือกนโมตัสสะพักวะโต กล่าวน้โมสามจบข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวน้โมเสร็จแล้วก็จะว่าพุทธังทำมังสังขังสระนังคัจฉามิก็ได้นะเอจากนั้นถ้าเราได้มากเราก็ท่องไปงก็ได้นะถ้าไม่ได้มากเราก็แผ่เมตตาเลยพาแผ่เมตตาอย่างรวบรัดนั่งปโนมืดใจนิ่งๆแล้วก็ ข้าพเจ้าขอบแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณด้วยเธออันนี้ก็คือแผ่เมตตารวบรัตทุกดวงวิญญาณในไตรโลกธาตุให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา จากนั้นก็กราบผ้าก็กราบผ้าถ้าเสร็จแล้วนะเอาขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิแต่จะนั่งถ้าผู้นั่งไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้แต่ถ้านั่งเหยียดขาถ้ามีพระพุทธรูปอยู่ตรงหน้าเราจะไปเหยียดขาต่อหน้าพระนะก็นั่งข้างๆถ้านั่งหันหลังให้ก็ได้เพราะเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้แล้วก็นั่งเหยียดขาหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่นั่งต่ำกว่าพระนะจากนั้นเราก็ปันนมือขึ้นระหว่างอก ปนมือขึ้นไหวครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการทําสมาธินี่ยไม่ใช่ความรู้ความสอนของใครเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงไหวพระพุทธเจ้าซะก่อนพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆ ก็คือพระอริยสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับเราเราจึงได้รู้อย่างองค์หลวงตาเนี่ย อ, องค์หลวงตานี่สังโฆ เ, เป็นพระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบริสุทธิ์แล้วลท่านมาแนะนำสังสอนแต่ต่อจากนั้นไป เ, เราก็จะว่าผู้ใดเป็นพระอริยสงฆ์หรือสงสมมติแต่ถึงยังไงก็าตาม ท่านได้นำธรรมคําสอนมาบอกกล่าวให้กับเราเราก็ได้นําพระธรรมคําสอนของท่านที่ได้ยินได้ฟังจากท่านพดโธธทำโมสังโคนะพระสงค์จากนั้นเราก็ไหวครูเสร็จแล้วเอามือลงพ้อมือลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถอันนี้คือกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่สายอื่นมีนะคณาญาติโยมยุบเนอพองหนาะก็มีแพ่งดวงแก้วก็มี เออมีแพ่งดเูเรื่องจิตวิญญาณก็มีเออ ด, ดูความรู้สึกนึกคิดตัวเองก็มีมีหลายอย่างพวกว่านี้เอาเถอะเราเป็นลูกศิษย์สายล้งปู่มั่นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านเห็นผลมาแล้วกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาตุให้เราเห็นได้อยู่แล้วเลาพวกเราควรจะมั่นใจเชื่อ ในพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือสายหลวงปู่มั่นพระท่านได้ประกาศทางอีสานทางเราของเราเลือดทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าแนวแถวขององคหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยหรือพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์อย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆ่งงตามหาบัวของเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราให้พวกเราท่านหัวบริส ภาวนาพุทโธเน่ยองคไหนก็เถอะถ้าเราดูในประวัติของท่านแล้วท่านจะบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักเนี่ยเยพราะฉะนั้นเราจึงบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธนั่งนานเท่าไหร่ล่ะหลวงพอ่อเอานานเท่าที่จะนานได้นะเอายจนเหลืออดเหลือทนพุทธนะเออถ้ามันปวดละ่ะมันปวดก็อดเอออดปวดเออพราเหตุอะไรเวลาเรานั่งดูโทรทัศน์นั่งฟังหมอลํามันก็ยังปวดแล้วยังอดได้ แต่เล่าตั้งภาวนาเนเออจะไม่ให้มันปวดจะเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะร่างกายของเราอันเดียวกันแต่เราก็ต้องอดทนพุทโธพุทโธนะเออถ้าว่ามันยังเผลอไปล่ะมันคิดพอนั่งไปแล้วมันคิดออกนอกโลกออกทางไปที่ไหนก็ไม่รู้ให้เราบริกรรมพุทโธให้ทีะเหมือนกับลว่อื่นกลแล้วทนาดนั้นลวรวดเพุทโถพุทโถพุทโถพุทธโถพุทธโถพุทโถพุทธโถพุทธอยู่ใน้เกีตใจของเรา อย่าให้มันเผลอไปทางอื่นให้อยู่กับสติอยู่กับพทนะุทโธนี่แหละพิธีการภาวนาอถ้าว่ามันยังเผลออีกอยู่เอเราทดลองดูสิมันเผลอในช่วงไหนหลวงพ่อเคยแนะนำศรัทธาญาติโยมแล้วก็เคยปฏิบัติมาโดยว่ามันเผลอในช่วงไหนให้เรานับนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่แต่จะเป็นนับเร็วนะ ให้เป็นตามธรรมชาติของลมหายใจเข้าหายใจออกแต่เพียงแต่ว่าให้เรานับว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับไปถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอน่ะถ้ามันเผลอที่ตรงไหนนับไปถึงสิบกลับมานับหนึ่งใหม่อีกจะไปนับต่อแตพอมันนับไปมันไม่มันไมหลงนับนับหนึ่งใหม่อีกเออมันจะเผล่อย่างไงคือเวลามันเผล่น่ะมันจะเบ่อซะก่อนน่ะเพราะมันเบ่อซะก่อนแล้ว เวลาหายใจเข้านเป็นเลขขี่ใช่หมหนึ่งหายจะออกเป็นเลขคู่สองหายจะเข้าเป็นเลขขี้สามสี่แต่แทนพอมันเผลอแล้วมันเบอร์เบอร์สพอนะพอเบอร์เสร็จแล้วหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่นะ้๊ะนี่ยมันสลับกันหายใจออกเป็นเลขคี้เอ๊ะทําไมมันทําไมมันเผลอได้ยังไงมันเผลอได้ตรงไหนเราก็ตั้งพยายามตั้งสติให้แข็มแข็งขึ้นอีกอแข็มแข็งขอีกเอาจนมัน นับหนึ่งจนไม่เพลเินับถึงร้อนับทะไรก็ไม่เพลิถึงร้อยอให้นับพอถึงร้อยนะกลับมานับหนึ่งใหม่อีกถึงร้อยสักสามสี่ห้าหครั้งจากนั้นเราจึงนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทต่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทธโเรารับรองเลยว่าอันชัยเมื่อจะไม่มาเยือนเรา ถ้าเราจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไว้หลยพอเราฝึกสติไว้อยู่อย่างที่คนบางคนเขาบอกว่าหมอบางคนเขาบอกว่าพวกเราควรจะอ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีอ่านหนังสือธรรมะก็ได้อ่านหนังสืออะไรก็ได้ให้อ่านเอาไว้ถ้าไม่ไม่อ่านหนังสือนะจิตใจของเราปล่อยเลือลอเล่อนลอยเลื่อนลางไปเรื่อยๆผลที่สุดก็เลยนะ่ะไม่มีจุดจบไม่มีจุดหมายปลายทาง เป็นอันใชเมอรอใดง่ายๆแต่ถ้าว่าเราอ่านหนังสือพออ่านเสร็จแล้วนะเราทบทวนว่าที่ข้าวไปเจ้าอ่านมานี่เนะี่ยอ่านเรื่องอะไรแล้วก็ทบทวนว่าอ่านเรื่องอะไรที่อ่านมาเนี่ยสามสิบนาทีนะเนี่ยเราได้อ่านมาเนี่ยมีข้อความอะไรเราทบทวนอันนี้คือการออกกำลังสมองแล้วว่าการออกกำลังความจำของตนเองเออถ้าว่าพวกเราไม่ออกกำลังแล้วว่าไม่ตั้งความจาไว้ เหมือนกับคนไม่ขี้เกียจออกกําลังกายอย่างนั้นอ่ะวันไหนกับวันเก่าขี้ออกขี้เกียจออกกําลังกายเพราะในทุดร่างกายของเราก็หมดกําลังเพรได้นุดก็เลยนะเนี่ยเป็นเปียกง่อยเสียขาไปพังผืดติด่เดินไม่ได้ไเลยเอ้ยข้ามีลูกหลานมากกี่หรอกอข้ามไม่เดินแล้วให้ลูกหลานเขาหามลูกน้องบริวารหามจ้างเงินเดือนให้เขาหาม พอหามไปหา ม, มาเท่านั้นอีกไม่นานเราตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เพล่เผลจะตักข้าวใส่ปากก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรพะว่าไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นชีวิตต้องสู้นะเราต้องออกกําลังกายในการนัตถายาดยม อ, ออกกําลังกายเท่าที่จะออกได้จะให้เกินไปท่า น, นเองและการอ่านหนังสือก็เหมือนกันรว่าการภาวนาก็เหมือนกันเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะพยายามสู้ในการ ดำลงแต่ถึงยังไงก็ตามชีวิตต้องมีจุดจบอย่างที่วาดชีวิตของเราพวกเราอาศัยธาตุสี่อย่างคุณแม่ของเราคุณแม่ทองใบของเราเนี่ยท่านอาศัยพวกเราอาศัยธาตุสี่เหมือนกันนะธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟ อ, อาศัยพญาจิตรราชคืตัวพวู้รู้เนี่ยอาศัยดินน้ําลมไฟปัตตวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ํา วาโยธาตคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตธาธาุไฟอยู่ในร่างกายของเราธาตุดินคืออะไรคือธาตุดินคือกระดูกที่เป็นของแข็งอย่างเส้นผมเนี่ยกระดูกแค่นะี้เออหรือเนื้ออย่างเนี้ยเออว่าเป็นกระดูกธาตุดินธาตุน้ําคืออะไรคือปัสวะคือเลือดเอออย่างนี้แหละเอะคือธาตุน้ํา ธาตุลมคืออะไรคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลําไส้ของเราธาตุลมธาตุไฟคืออะไรคือธาตุไฟก็คือทําให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยอันนี้คือธาตุสีที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะธาตุทั้งสีเนี่ยอยู่ดีๆอีกสักวันหนึ่งนะมันจะทะเลาะกันธาตุทั้งสีมันจะแตกกันแตกสามัคคีกันธาตุดินกับแข็งขอดธาตุน้ํากับแข็งขอดธาตุไฟธาตุลมต่างคน ต่างธาตก็แข็งข้อกันนะผลที่สุดก็นะี่ยไม่ลงรอยกันพญาจิตรราชก็เผ่นแหนบกระเทนหนีออกจากร่างกายก็เห้ไรเพราะว่าธาตุสีไม่สามัคคีกันนี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะเราอาศัยธาตุสีนะเดี๋ยวนี้นะเอออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกเนี่ยพอเกิดมาแล้วกนะ็มาสร้างเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล พอมาเกิดเนี่นะยนายยมมาโทษเขาาก็เขียนวีซ่าไว้ให้ละเออเอาไปไปเกิดไปไปเกิดแล้วประกอบคุณงามความดีเนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะไปเขาก็เขียนวีซ่าให้พอเสร็จพอมาอีกได้กําหนดกฎเกณฑ์แล้วเนะ่ยเขาก็ส่งวีซ่าไปเอาคุณสมควรที่จะกลับประเทศได้แล้วนะกลับพี่เกาได้แล้วนะเขาก็ส่งวีซ่ามาให้ในเมื่อส่งวีซ่ามาให้นะี เ้วก็ต่างคนก็ต่างได้กลับบ้านเก่าแล้วท่นี่นี่แหละอย่างคุณแม่ทองใบของเราเนี่ยท่านได้รับวีซ่าก่อนพวกเราท่านก็เดินทางกลับไปของท่านไปรับบุญรับกุศลของท่านแต่ถึงอย่างไรที่ท่านมาทํามาค้าขายในเมืองมนุษย์นะท่านมาเกิดแล้วท่านเราก็ร้อยประกอบคุณงามความดีได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของท่านมากมายที่เดียวท่านได้กําไร แต่พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูพวกเราด้วยนะเ อ, อถ้าเราได้วีซ่าเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนเรามีเงินในกระเป๋าไหมเรามีทุนทรัพย์ไหมเราได้สั่งสมบุญกุศลเพียงพอหรือยังอันนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเองเพราะฉะนั้นพวกเรานะตายแล้วไม่สูญนะตามหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาเกิดในโลกเนี่ย เงินทั้งหลายที่เราแสวงหาตั้งแต่วันเกิดเรียนหนังสือมาก็หาเงินเงินเงินเงินเงินในส่งถึงโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาก็ไหนญาติโกโหติกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมานั่งกันเต็มนเลน่เดี๋ยวก็ส่งขึ้นเบรแต่พอส่งขึ้นเบนจากนั้นนะคุณแม่ทองใบก็ไปตามลำพังแล้วแตนี้อัตหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเนีหลวงพ่อจะเรียงลำดับให้ฟังว่าเงิน เ, เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ส่งถึงโรงพยาบาลส่งถึงมือหมอหมอก็รักษาพอรักษาใจแล้วก็ส่งถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลพอสุดสุดอาการหนักขึ้นพอสุสุดอายุก็มากขึ้นไปนอนอยู่โรงพยาบาลท่นี้ เออไม่รู้สายอะไรต่อมิสายอะไรพะโงพลังกันไปหมดพอได้ชดก็บอกเอาไม่ไหวหมอสู้ไม่ไหวเอาส่งกลับตายอะรเออพอตายมากับพี่น้องสถาญาติโยมก็มาจัดงานศพพอจัดงานศพก็ใส่หีบใส่โลงอย่างนี้แหละจากนั้นเอาขึ้นไปโลงเอาขึ้นไปในเบนเดอะฉะนั้นก็ไปวางดอกไม้จันพอวางดอกไม้จันก็เออเอาข้าไปเจ้ามาวางดอกไม้จันเนะเอะท่านเนอ ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งใดก็ตามในอดีตข้าพเจ้าขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยท่านก็เหมือนกันถ้าได้ท่านท่านได้ทาอะไรกับข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจสิ่งไหนก็ตามก็ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีถึงจะรักกันนาดไหนก็เถอะเราไม่มีใครพู้ทีใดที่จะกระโดดเข้าไปเปนอนเป็นเพื่อนตายด้วยไม่มี ออกจากนั้นก็ออกมานั่งอยู่ข้างนอกจากนั้นก็ไปชมเพลิงเถิดพอไปชมเพลิงเสร็จแล้วนะคุณแม่ของเราคนนะ่ะเออท่านก็ไปตามลําพังเถิร่างกายถูกเผาแล้วมีแต่ดวงวิญญาณของท่านไปอั ต, ตหิอัตโนนาโถตนแลป็นิพึ่งของตนโกหินาโถรโรติยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากบุญกระบาบถ้าว่าคุณแม่ทําบุญบุญก็จะเข้าเป็นเพื่อนสอง เขาเป็นเพื่อนสองพาคุณแม่ไปไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าถ้าว่าคุณแม่หมดกิเลสท่านเกาเข้าสู่นิพพานถ้าว่าท่านคุณแม่บําเพ็ญฌานก่อนที่จะตายได้ฌานได้ธรรมที่คุณแม่ก็ไปเกิดเป็นไปเป็นพรหมถ้าว่าคุณแม่อเนสงศีนนิ ส, สนนารทานของคนุณคุณแม่มีคุณแม่ก็ไปสู่สวรรค์ถ้าว่าคุณแม่มีอเนิสง์ไม่ถึงกับสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลือกเกิดได้เกิดที่ไหนเกิดที่ มีความร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละอันนีค้คือการเกิดของมนุษยชาติแต่ถ้าเราทำกรรมทาบาปนะสิได้เมื่อทำบาปนะบาปเป็นเพื่อนสองพอเราตายไปแล้วบาปเป็นเพื่อนสองบาปก็เป็นเพื่อนพาไปแนละ้วจะไปตกนรกหลุมไหนก่อนวะมันบาปหนักลเลยวะจากนั้นก็ไปออกจากนรกกมาเป็นเปรตออกจากเป็นเปรตกม็มาเป็นสัตว์ทร่รชาต มาเป็นสัตติรษานช้างมา้าโบควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นพ่าะ อ, อะไรขนาดเป็นพระกรรมฐานตายเป็นห่วงผ้าจีวรยังเกิดเป็นเห่นได้อคําว่าเกิดคํานี้นะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคณะนะัสัทยา ญ, ญาตรโยมลูกหลานนะถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะเรื่องวิญญาณดวงนี้เนะี่ยพร้อมที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นสัตติรษานช้างมา้าโบควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นพราะอะไร เพราะบาปอกุศลที่ตนได้กระทําไว้เป็นผู้ให้ผลเป็นผู้พาไปเพราะนั้นพระพระุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ากรรมชั่วอย่าทำํำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเมื่อเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาส่งดวงวิญญาณของพวกเรา ไปสู่ความสุขความเจริญสุข ก, กายสุขใจเกิดมาพบได้ชาติได้ก็จะบุญกุศลเป็นเครื่องเครื่องเกื้อกูลนนทนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะควรจะประกอบแต่คุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อฟั่นใจว่าคุณแม่ของพวกเราท่านประกอบคุณงามความดีท่านได้พบอริยะสงสารพระอริยสงฆ์คือองค์หลวงตาของเราท่านก็เชื่อมั่น และเขปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธธรรมคำสอนขององค์หลวงตาหลวงพ่อมั่นใจว่าคุณแม่ของเราต้องไปสู่สุขติไปทางที่ดีนะแล้วก็ในการกล่าวในวันนี้ทีว่าหลวงพ่อขึ้นต้นว่าพุทธภาสิทธิ์ที่ต้นว่ามรณงเมพวิสติพวกเราเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัย ต้องถึง ท, ทุกคนเพียงเท่ว่าใครใครก่อนใครหลังเท่านั้นเอง เ, อเรียงคิวกันไปเรื่อยๆคิวหนึ่งคิวสองคิวสามถ้าว่าอยู่ที่เมืองอุดอรไม่หนีไปไหนนะจะต้องได้รับคิวต่อไปเรื่อยๆน ะ, ะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อได้แนะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติ พระพุทธองค์สั่งสอนสั่งภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งเราก็จะทิ้งอยู่แล้วร่างกายของเราไม่เทียเ่ยงจะตายอยู่ในกฎในจางทุกขังอนัตตาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็คือพวกเราเกิดมาแล้วกอย่างพวกเรามาบ่มเพนกุศล มาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าให้ทานยังไงรักษาศีลอย่างไงภาวนาปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้แหละคือประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านก็เราก็ช่วยสงเคราะห์ดูพ่อแม่ของเราเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลรับพฤ่งตนอย่างไรให้ให้สมควรที่จะรับทรัพย์มรดก ข, ของพ่อแม่ได้ เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว hey, อย่างคุณแม่ล่วงลับไปแล้วนะพวกเราก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหท้ท่านตามอัตภาพนะ่อเราไม่ได้ปล่อยปนานะเลยประโยชน์ตนก็ให้ถึงพร้อมประโยชน์คนอื่นเราก็ให้พร้อม น, ะนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทสีของพระองค์เพราะนั้นวันนี้พวกเราในมาร่วมมารวมกันแสดงออกถึงน้ําใจ แสดงออกถึงความมีน้ำใจความกตัญญูต่อผูท้ที่หลวงรับดับขันไปเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสังเวทที่นิยกระถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระษีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่พวกเรา ขอรบนับถือเรื่อมใสและกับบุญบา ร, รมีผู้ที่ท่านเอ่ยมรณะภาพคือคุณแม่ของเราขอให้มาคุ้มครองลูกหลานขอให้จงพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถิน